ต่อไปผู้ต้องอา่านบัตรปลาชิก ช, ชื่อว่าอัสังว่าหาสังวาไม่ได้ในข้อนี้ว่าเมธุนังธรรมมังปฏิเสวะยะพึงแสซึ่งเมธุนุนธรรมข้อว่าเมธุนังธรรมมังคือความประพฤติ ร, ร่วมกันของคนสองคนผู้ถูกลาคะกลุ้มรุมเหมือนเหมือนกันเนี่ยความหมายของเมธุนธรรมนะครับคืออย่างนี้ ก็คือความผู้ร่วมกันของคนสองความวัตถุราคากุ้มลุงเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมคนนี้อาจจะมีคนสองสามอ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แหะเกิดราค่าให้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เกิดราค่าไตก็เป็นมีอะไรกันเน่ยการงานทำนี่เนี่ยชื่อว่าเมทูลไหมก็ชื่อวเมทูนเั่นแหล่นะครับนะไปเศษการมาเนีนชื่อว่าเมทูลนั่นไหละเปี่ยนแต่ว่าตามปกติธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็จะเป็นความประพฤตินนะ ขคนสองคนที่ถูกราชากุมแล้วก็ทํากันใช่ไหมก็คือการเสรีถุนนะครับจึงชื่ออย่านี้ถ้าในพระวินัยปิอกเนี่ยพุทธเจ้าจะต่าดไว้นะคาหลายสำนวนมากนะ <S <S อันนี้ก็นา่าฟังครับเกี่กับเมธุนธรรมนะอ่าที่ชื่อว่าเมถุนธรรมมีอธิบายว่าธรรมของอสตบุรุษนครับประเพณีของชาวบ้านมาลายังคนชั้นต่ําทําอันชั่วยาทําอันมี น, น้แต่ที่สุด กิจที่คผลซ่อนเป็นขออธรรมอันเป็นธรรมอันคนเป็นคู่คู่คุมมาพึ่รงร่วมกันนี้ชื่อว่าเมตุธรรมนะครับเนี่นะเป็นอย่างนี้นะครับเมตุธรรมธรรมสามารถไดทำทำ้าได้ท่านบอกว่าคําของอสุติบุรุษนะครับธรรมของอสุจบุรุษเนี่ยท่านบอกว่าคือคนต่ําช้านะครับคําของพวกคนต่ําช้าอะชื่อวาอสุธรรม แล้วทำของประเพณีของชาวบ้านครับพวกชาวบ้านก็ทํากันสมณะเขาไม่ทำหรอครับที่มาเสร็มีถุง น, นะทำของชาวบ้านทําเป็นที่เศษของพวกชาวบ้านนะครับแล้วก็มารยาของคนชั้นต่ํานะคนชั้นต่ํานะครับทำทำของพวกคนถอยเชื่อว่าสาระทำนะไม่เชื่อพวกคนชั้นสูงที่มาเป็นสมณะออกบวชพฤติธรรมแล้วนะครับทำมันชั่วยากนะครับทำชั่วยาก อันนี้ก็บอกว่าชื่อว่าเป็นธรรมชั่วเพราะเป็นธรรมอันกิเลทั้งหลายประทุสร้ า, ายอะไรอย่างเงี้ยนะมีอหิริกาแความไม่สะอาดเป็นต้นครับมันเกิดขึ้นตอนนั้นใช่ไหมก็เลยมีการทำนี้นะครับเลยชื่อว่าเป็นธรรมหยาเพราะเป็นธรรมไม่ละเอียดแล้วก็นะธรรมมีน้ำเป็นที่สุดธรรมมีน้ำเป็นที่สุดในมานหมาเพราะว่ามีน้ำจีเกลื่อเป็นที่สุดนะครับหมากาต้องมีการชาละล้างความสะอาดนั้นเป็นที่สุดนะครับ จริงๆว่าทำเงินจะมีน้ำเป็นที่สุดถ้ามอกว่านะบางคนย่อมถือเอาเพื่อความสะอาดในที่สุดแห่งกรรมนั้นเห็นนั้นกรรมนั้นถึงชื่อว่ามีน้ําเป็นที่สุดครับอนนี้ก็ต้องมีการชํานัำความสะอานะครับกินที่ควรซ่อนเล้นเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยกันหรอกใช่ไหมท่าต้องแอบมนะครับทํากันในโอกาสอันปิดบังแล้วก็ทําอันเป็นของทําอันคนเป็นคู่คกับเพื่อร่วมกัน อันนี้ข้อสุดท้ายนะอันนี้ก็ชัดนนะเนี่ยคนคู่เพื่อร่วมกันนี่ชื่อว่าเมธีึงทำนะต่อไปท่านบอกว่าคําว่าปฏิเสบระยะแปลว่าพึงเสกคือถึงเฉพาะนะคําว่าอันต่ำ ม, มังโสคือกําหนดอย่างต่ําสุดใช่ไหมโดยที่สุดแม้ใ น, นสนันติราชาตัวเรียนนะมีคำว่าอันต่ำ ม, มังโสโดยที่สุดนะคือกําหนดอย่างต่ําสุดน่ะแม้เป็นเสกกว่ันติรชาก็ยังเป็นประราชิกนะครับ คำว่าติละฉานะกะตาญปิคือแม้กับผู้เกิดมาเป็นสัตว์ดิลฉ า, านนะถ้ามีปฏิสันทีในกํหนาหนิดดิลฉานอ่าก็ในฐานะนี้พึงทราบว่าเป็นอนุบัญญัติครับอันตรรมสนดิฉ า, านะกะตาญปิเดี๋ยวสุดข้างหน้านั่นจะว่าอีกนัที่พิสูจนใช่ไหมรูปหนึ่งไปเสดในถึงกนาลิงตูเมียครับตอนแรกพระองค์ทรงมันอย่างปาราชิกนะนะไม่เสดในถุนนะครับทีนี้ก็มีพิสูจอยู่รูปหนึ่งเนี่ย แกอยู่ที่ว่านนั้นนะครับแล้วก็มีนางลิงมาท่านยาท่านมีธบ้าหน้หาหมาท่านก็อาหารเนี่ยให้นางลิงครับเป็นเหยื่อล่อมาพอให้อาหารมันกินแล้วก็ไปเสดเมนสุนกับนางลิงเนี่ยนะทำไม่รู้ท่านทําไปกี่ครั้งนะครับนางลิงนี่ก็ชอบเลยนะท่านทำไปกี่ครั้งนะต่อมาก็มีพวกพิศวงคอนโุกาจากขึ้นมานะครับพอมาพิศวงคอนโดกาเนี่ยก็เที่ยวจาริกดูสินาซนาในว่านนี้นะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ ก็ไปถึงที่อยู่ของพระหลวง น, นี้พอไปถึงที่อยู่ของพระหลวงนี้นะอ่าพวกมาเจอนางลิงครับนางลิงก็ออกมาเลยนะแล้วก็ทําท่าทำทางยั่วนะครับจะให้เสดเมถุนด้วยนะนะครับอาจจะอะไรขันก้อนขันอะไรมาให้อย่างนี่นะครับลักษณะนั้นแหละนะจะให้เสดเนี่ยพอพระเหล่านี้เห็นอุกแตกใจทาไมลิงนี่ทํากีริยาเนี่นะก็เลยก็เลยสนิทถาว่ า, าเนี่ยพระเจ้าสิงรูปนี้ต้องเสดเมถึงกับนางลิงแน่เลย นางลิงตัวนี้ถึงจะทำอย่างนี้นะครับก็เลยที่ว่า ก, ก็เลยแอบจับดูนะครับไปซ่อนอยู่ในมุมมุมหนึ่งนะครับเราจะแอบจับผ้าลูนี้ให้ได้นะพอผ้าลูกนี้บินถลกกลับมานะครับก็ทําเหมือนเดิมอาหารเนี่ยนะไปให้นางลิงนะครับล่อมันนะครับแล้วพอนางลิงให้อาหารเสร็จแล้วก็ไปเสดเมนตุนกับนางลิง <S <S 1> <S 1> ที่สุดที่แอบอยู่นะครับก็เห็นกันจระใอะไรนะนางเสดเลยนะคะ <S <S นรับก็ออกมาเลยโจลยนี่เท่าเนี่ย มันไม่สมนา่นเป็นปาราซิกมาแล้วนะครับมันจบเลยพิสูุนี่ก็เลยอ้างนะครับอ้างแรกบอกว่าอ้ออวาวพุทธเจ้าบัญย่าิว่าเป็นปาราซิกเฉพาะเศษเมถุนกับมนุษย์เท่านั้นนี่เราเส่เมถุนกับในรสานี่เป็นอุ้ยไนคับไหไมไหครับจะอ้ะางครับความจริงไม่ใช่นะครับพระองค์ไม่ได้กําหนดเฉพาะในมนุษยนะ์นะครับนี่เพราะฉะนั้นพระงก็เลยอนุมัญญัติขึ้นมา เป็นอันตรมันโสสินิชานักตาญัติแม้ในสินิชานตัวมีคําว่าอนุบัญยัติอะไรต่างๆก็จะมีอธิบายนะครับในมาริตกาที่ในชี่นี้เขาบอกนะท่านอจะรย์คิดว่าอันนี้นะครับต่อไปคําว่าปราชิโกโหติความว่าพ้าแพ้แล้วคือถึงความปราชัยนะครับตรง น, นี้ก็น่าสนใจนะคําว่าถึงความปราชัยจะไปง้องานศิลป น, นี้ไม่ได้แล้วนะครับ เป็นผ er ู้พ่ายแพ้นะข่านตอนที่ว่าคําว่าปาราชิกนะครับเป็นผู้พ่ายแพ้นี่ยังไงเอ่อขั้นเรียกปาราชิกนะครับอธิบายสั้นว่าปาราชิกนะครับถึงความพ่ายแพ้สิกขาบทขึ้นว่าพลาดตัดว่าปาราชิกเพราะเหตุที่ยังบุคคลผู้ละเมิดให้พ่ายแพ้ส่วนอาบัตต่ัดว่าปาราชิกเพราะเหตุที่ยังบุคคลผู้ต้องยพ่ายแพ้บุคคลตัดว่าเป็นปาราชิกเพราะเหตุที่ให้ เป็นผู้พาคือถึงความแพ้นะครับถึงความแพ้นี่ก็คือไม่ใช่สมณะสะญญารกิจบุตรแล้วครับเขาบอกว่าเหมือนกับบุรุษที่ถูกตัดศรีรษะนั้นนะคอขานะครับไม่อ่ามีสรีระ ค, คุ้มกันนั้นเป็นอยู่พอศรีรษะขาแล้วก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเขาล้มตายค ร, mm. ครับชื่อแม้ฉันใดพิสูจ ก, ก็ฉันนั้นเหมือนกันเสร็จเมถุนทำแล้วย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสาตปัสกยบุตรเพราะเหตุ น, นั้นจึงตามว่าเป็นปราชีพนะครับเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างเงี้ยนะไม่เป็นสมนัยเป็นพระเชื้อสายปัสกิยบุตรแลนะครับคำว่าอสังวาสุหาสังวาไม่ได้มีความว่าวิธีสามอย่างมีกรรมเหมือนกันเป็นต้นชื่อว่าสังว่าก็คืออะไรอกรรมที่คุณทําร่วมกัน ส ก, ก, กรรมต่างๆนะคที่จะทำร่วมกันนะปูเทศที่เป็นส่วนร่วมกันถ้านในเอกสาเรเล่มใหม่ในมีเขียนให้นะครับนะปูเทศที่เป็นส่วนร่วมกันนัคือพระปาติโมกนะปู่แท่รือข้าปาติโมกนะครับลงมาส่วนร่วมกันแล้วก็ความเป็นผู้มีสีเสมอกัร น, นะครับอันนี้แหละชื่อว่าสังวาตนะครับเขาบอกว่าเพราะเป็นฐานะที่อยู่ร่วมกันแห่งพิสุทธทั้งหลายที่เป็นปกติต่าง ภาพกระดาษตะคืออะไรคือภาพที่ไม่ได้เป็นปราชิกแน่ะภาพที่ไม่ได้เป็นปราชิกและก็ไม่ได้ถูกยกวันนะครับฉันเรียวภาพกระดาษตะนะทำสามอย่างเหล่าเนี้ยทำที่คุณทําร่วมกันอุเทศที่ควรส่วนร่วมกันความผู้มีศีลเสมอกันนะถ้าเรียกว่าสังว่าเพราะว่าเป็นที่อยู่ร่วมกันในพิสูจน์เท่านั้นที่ปกราตะนะที่จะมาร่วมกันใช่ไหมในสังกรรมในการลงปฏิโมกนะครับ และก็เป็นผู้มีศิทเสมอกันนะสังว่านั้นกับพิสูจผู้ต้องอาบัติประราชิชไม่มีนะเหตุนั้นพิสูจผู้ต้องอาบัติประราชิชจึงได้ชื่อว่าสังว่านะผู้หาสังวาม่ได้จริงทีเดียวในสัง ก, ร, กรรมธทั้งหลายผู้ต้องอาบัติประราชิกจะเป็นคณะปุรากาศทาให้ครบจํานวนไม่ไดนะ้ที่ว่ามานี้เป็นการอธิบายตามลําดับบทกาะเป็นคณะปุรากาศไม่ได้นะ ต้องไว้ท่านต่อไปนะครับเป็นว่าชนีวัชรบุคคลใช่ไหมครับว่าชรีบุคคลนะบุคลุกคนไว้นะครับเรียนลงสังากดกรรม